ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธรชนทั้งหลายประตร์ในวันนี้จะได้พูดเรื่องศีลปัตตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้รับสั่งถามพระอานนท์ว่าการที่บุคคลดำรงชีวิต ประพฤปฏิบัติด้วยศีลด้วยวัดคือพ่อปฏิบัติต่งตางๆก็เรื่องของชีวิตตลอดถึงพรหมจันท ร, ร์ที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นเป็นความถูกต้องดีงามเสมอไปหรือไม่พระนรนก็กลับทูลว่าจะตอบยืนยันไปส่วนเดียวนั้นไม่ได้ หรือจต้องแบ่งแจกตอบอระุทธเจ้าก็ขอให้พระนนอธิบายพระนนก็อธิบายว่าข้อปฏิบัติคือศีลหรือวัดปฏิบัติการดํารงชีวิตแล้วก็พรหมจรรย์อะไรก็ตามที่บุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วทำให้อกุศลไี่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป การบัตรเทนั้นก็ชื่อว่าไม่ถูกต้องแต่การแต่วิสีลพรดชีวิตแล้วก็พรหมจรรย์นันไดก็ตามที่ประพิปฏิบัติไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วก็ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริอมากยิ่งขึ้นอาุศล พวกบาปอังกุศลต่างๆยังไม่เกิดก็จะเสื่อมไปที่เกิดแล้วก็จะถูกลดลาบไปฝูปกศีลพรตชีวิตแล้วก็พรมาจารย์เหล่านั้นชื่จึงถูกต้องพระเจ้าก็ส่งอนุโมทนาสาธุว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อพระเมื่อพระอนุนทิระกราบูลลาออกไปแล้ว พระเจ้าก็รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอนุนั้นอยู่ในเสกภูมิคือยังไม่เป็นพระอระหันต์แต่เทียบชั้นของปัญญาความรู้ความความเข้าใจในธรรมะแล้วแต่คนในระดับเสกภูมินี่ไม่มีใครจะเทียบเคียงเลยเทียบเทียบเคียงกับพระอนุนได้ยาก ประเด็นของคำถามในที่นี้ก็คือเรื่องศีลเรื่องพรตคือคำตอนนี้เป็นเป็นคำที่บัญญัติเรียกกันแม้แต่ธรรมะในบุษฐานาของเราเองก็อาศัยคำที่เขาใช้กันอยู่ในสมัยนั้นมาบัญญัติเรียกเรียกแล้วก็นิยามความหมายให้ความหมายเอาันชื่อมก็ซ้ากันเยอะก็เรียกศีลด้วยการเรียกพรต ด, ด้วยกัน เ ร, เรียกพรหมจรรย์ด้วยกันแล้วก็ทั่วไปก็ต่างคนต่างมาถือว่าการนิบติของตอนนั้นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือถ้าเอาชื่อมากำหนดเป็นความถูกต้องมาคงจะยุ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงรับสั่งให้ปราณนนแสดงความเห็นในเรื่องนี้ออกมาสิ่นที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติ ในที่บางแห่งก็สมัครคนบางคนแแนวของนิครณเนี่ยนะะแนวของนิครนเนี่ยนะ ข, อของพวกนั้นเจนว่าฆ่าสัตว์ได้ในที่บางแห่งฆ่าไม่ได้ในที่บางแห่งในเรองนี้มันจะมีอยู่เยอะเจนว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารไม่บาปฆ่าคนจึงเป็นบาปฆ้าคนที่มีคุณไม่บาป มาคนที่มีคุณเปินบาปค่ะคนในศึกสงครามไม่บาปเลยแต่เราก็ว่ากันไปซึ่งดกลงว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อยุติเพราะว่าไปกำหนดที่ตัวคนไม่ใช่ไปกำหนดที่ตัวการประพฤติปฏิบัติคือผลที่เกิดขึ้นภายในใจของคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้วันาเราจะ อธิบายเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องแบ่งแยกตอบแต่เราจชื่อมาตอบเนี่ยคงไม่ได้พระนุษ์จึงไปไปมองในแนวผดท่านั้หลายคง น, นึกออกว่าพระสูตรในแนวนี้คือตอบในแนวนี้นะคนานแล้วนะ เ, เคยเจอมาสูตรหนึ่งเรียกว่าสบัสวัสสามวรสูตร คือในประสุนนั้นก็มองที่ผลเช่นเดียวกันหมายความว่าไม่ได้ดูตรงนั้นว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกอ่ะแต่ดูที่ตัวผลว่ามันถูกหรือไม่ถูกผลอะไรก็คือผลว่าความชั่วมันล ด, ดลงความดีมันเพิ่มขึ้นทำอะไรก็ได้นะฮะก็ถือว่าถูกแต่ถ้าความชั่วเพิ่มขึ้นความดีล ด, ดลง ชื่อมันจะรู้ยังไงก็ตามกา็ถือว่าผิดเราเป็นการเพิ่มบาป ก, การบาปทั้งหมดนั้นจะต้องการลดความชั่วได้ก็เพิ่มความดีขึ้นมาได้ส่วจะมากหรือน้อยไปรายละเอียดหรือพวกวัดที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีการกำหนดมีการนิยมกันของคนบางพวกเราจะเห็นว่า บางทีถ้าเราดูในเชิงที่เป็นรูปแบบรูปแบบมันก็เคร่งครัดก็เข้าทีก็เก่งนะฮะก็รู้สึกก็ดีแต่ถ้าเรามองไปอีกทีหนึ่งนายังแนวที่ที่เคยเล่าให้ฟังในสมัยโบราณมันก็เยอะคนคนประเภท น, นี้ที่่านบันทึกไว้ในประคำภีเนี่ยว่าฤาษีตนหนึ่ง ปฏิบัติเคร่งครัดมากเป็นที่เคารพนับตือของคนทั้งหลายมากสมัยโบราณก็ไม่มีธนาคารอะไรโยมก็เอาทรัพย์สินเงินทองตัวเองไปฝากที่อสมอุมของรับพตรของฤาษีฤาษีก็ยิ่งเคร่งใหญ่เคร่งให้เห็นใหญ่พอถ้ามองเฉพาะตรงนี้มันก็มันก็น่าตาห น, น่าตาเลื่อมใส ไอ้ซาสุบารก็เพิ่มขึ้นเร้เลยแกก็เคร่งมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งศรัทธาเพิ่มขึ้นเีื่อยโดยไม่ได้เฉลียว่าไอ้บางอย่างมันก็เคร่งเกินไปต่อมาวันหนึ่งเนี่ยแกเดินลอดบ้านของของโยมประทานหลังคาก็เป็นมุงแฝกปรุงอะไรเนี่ยนะ เราก็แฝกไปติดชะดาแกไปหน่อยเดี๋ยวก็ไปตั้งนานแล้วนะกลับมาเอาตัวนั้นมาคืนบอกว่ากลัวจะเป็นบาปกล้วยจะเป็นอาทินนาทานไอ้นี่ยสิ่งมันติดไปแนตะ่กลัวจะเป็นกบฏมันมันมันมันเวอมากไปหน่อยนะพอดีปุโปรหิตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เขาอยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกฤาษีนี่ชักเคร่งมากเคร่งมากไปนะ อรูษีกลับไปแล้วแกก็ถามตามโยระถากว่าบรษีนี้เป็นยังไงมีความเป็นมาอย่างไงอะไร่อะไรเขาก็เล่าด้วยความชื่นช ม, มะหะด้วยความชื่นชมตลอดพษษระโพยศาก็ถามว่าคุณเอาอะไรไปฝากเขาไว้บ้างเปะ่เอาเงินไปฝากไปไปฝาฝังไว้ที่อาสมฤรษซี เราก็บอกว่าถ้งงางั้นกุณรีบไปแหะแกกำลังจะขโมยทรพัพย์คุณแน่แหละอันนี้ก็รีบไปประกอบกำลังขุดอยู่พอดีนะฮะกำลังขุดกำลังขุดลุมเก็บเงินอยู่พอดีนั่นคืออะไรคือว่าเราไปดูด้วยความฉาบสูยไม่ได้มองอ ว, วัดปฏิบัติตรงนั้นแหละมันแสดงให้เห็นถนะึงความสงบจริงหรือไม่มีความสงบมีอยู่ภายในจิตใจของท่า น, นจริงหรือไม่ คือบางอย่างเราสังเกตที่ที่ที่ตรงนั้นไม่ได้สังเกตที่ภายนอกให้ไม่ได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการสังเกตทีต่ต่อเนื่องที่พระเจ้าทรงทรงแสดงหลักการสังเกตไว้ว่าความมีสีนั้นจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆด้วย แม้จะอยู่กันนานๆก็ต้องอาศัยการสังเกตพินิจพิจารณาจึงรู้ถ้าไม่สังเกตพิิจพิจารกก็จะไม่รู้รดูคนนี้สะอาดหรือไม่สะอาดมันก็อยู่ที่การงานของเขาหรืออยู่ดูที่การพูดของเขาแล้วก็ต้องสังเกตนานๆนี่ยนะเนะพราะแบบแฟชั่นโชว์มันเยอะไปก็สังเกตนานๆ เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงสังเกตถึงจะรู้ทําไมาใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงสังเกตก็จะไม่รู้แต่ก็จริงเราก็คงไม่มีโอกาสอะไรไปตรวจสอบลึกซึ้งขนาดนั้นปนัญหาสาคัญมากลับย้อนก็มาสู่แนวของธรรมคุณดิบโวตวัสันทิติโกคือเราจะเห็นได้ด้วยตัวเองปจัจะต่างวิริโตโบวินญูหิคือวินยุชนจะรู้ได้เฉพาะตัวคือมองกลับมาดูที่ความเปลี่ยนแปลง ดูความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราโดยจากการศึกษาการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยกุศลมันลดหรือว่ามันเพิ่มกุศลนั้นมันเพิ่มหรือมันลดคือดูดูตรงนี้แล้วก็ดูด้วยตัวคนรัวเองซึ่งถ้าหากว่าความดีมันเพิ่มก็แสดงว่าความชั่วมันลดก็ถือวถูกต้อง ดีการเพิ่มการลดนั้นคงไม่ได้มองเฉพาะจุดเดียวนะครับมองจุดเดียวก็มองไม่ออกซึ่งถ้ามองแล้วก็คล้ายๆกับเราบำบัดรักษาโรคนะกิเลกก็คือเป็นเหตุให้เกิดให้เกิดทุกเพราะงั้นเราก็ดู เ, เหมือกรโรคนะมันก็เกิดมาจากสมุทรฐานสมุทรฐานของโรครักษาโรคแล้วต้องดูอาการของโรคลดลงไป แล้วก็ดูที่ความสบายเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ลดลงไปเฉพาะจุดนั้นแล้วไปเพิ่มในจุดอื่นคือต้องไม่มีโรคแทรกซ้อนด้วยแล้วก็ไปยุติ ด, ด้วยหลักด้วยหลักอันนี้มันก็สูตรสรสกลเลยนะฮะความว่าในการปฏิบัติที่เราจะพิสูจน์ทดสอบถึงความถูกต้องของของศีลก็ดีของวัดปฏิบัติก็ดี เราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราเคือถ้าเราดูเราดูสิ่งมีชีวิตดูดูที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะมีเมตาตากรุณาเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็เฉยนะอย่างน้อยก็วางเฉยได้ไม่ไปเพิ่มความรักความชังหรือแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขามากยิ่งขึ้นเราแสดงว่า ความเปลียนแปลงในจุดนี้ในสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยถึาตามปกติแล้วมันจะออกมาในรูปรักช่างในแรงแต่ก็ลดความชังลงไปก็มีแต่ความรักความเฉยเยก็ถือว่าดีขึ้นแยะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปแบ่งแยกก็รักพวกนี้แล้วก็ไปโกรธพวกหนึ่งเอยเฉยพวกหนึ่งจนชัดเจนอันนี้ก็แสดงว่ามันมีโรคแทรกซ้อน นั้นหายตรงนี้จริงจะไปเกิดในชื่อหรือว่าดูสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยโดยการลดความโลภลงไปหรือลดความอยากได้ลงไปว่าจะเห็นอะไรก็ตามก็สามารถจะลดความความอยากได้ลงไปได้การทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้อง มันคือมองในภาพรวมๆแต่ถ้ามองในรายละเอียดมันก็ต้องดูที่ใจจริงๆว่าในความไม่โลภนั้นเพราะเราเรายังไม่พอใจใช่หรือไม่หรือว่าของมันน้อยไปหรือของไม่ดีพอที่ยังไม่โลภเนี่ยแต่นี้มันก็ต้อง ตอนใช้การตรวจสอบในจุดที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในที่อืน่นๆว่าเรามีความเข้มแข็งมากพอจริงหรือไม่แน่นอนการเอาชนะอารมณ์ชนะกิเลสแน่นี้ที่จริงก็ต้องต้องมีความแข็งแกร่งเยอะนะเพราะตามปกติแล้วโดยพื้นฐานการปฏิบัติในชีวิตของเราเนี่ย เราก็มีความดีอยู่เยอะโดยเฉพาะระดับเข้าวัดฟังธรรมำจำศีในี่จริงก็มีความดีอยู่เยอะแต่นอานไม่มาหรอกแต่ปัญหาที่หน้าที่หน้าคิดก็คือว่าตัวอารมณ์ที่มากับแทกเราไม่เคยเจอไม่เคยเจออารมณ์ที่มากับแทกเราตัดกระแสควาอารมณ์แค่แกระดษีอยู่ในป่าอย่างที่เราเคยพบในชาดกยเยอะแยะไปหมดเลยนะ เหตุนี้ฤาษีที่ท่านเข้าไปอยู่ในปา่าท่านก็สงบท่านก็ได้ฌานนะฮะได้ฌานเจริญสมาธิทีนี้อารมณ์กระแทกที่เกิดรักชังเนี่ยมันไม่มีท่านก็อยู่ปา่าก็ลิงก็ข้างกับต้นไม้กับนกหนูอะไรแต่และก็ว่าไปในปา่านมันไม่มีอะไรปัญหาที่ฤาษีตาบะแตกมันก็ตอนเข้ามาในเมืองเพราะอารมณ์กระแทกแรงอารมณ์ที่ไม่คุ้นเคยนี่แรง ภพเดียวก็เกิดความรักความชังนี่แรงรูปก็มีหลากหลายเสียงก็หลากหลายกลิ่นก็หลากหลายนะมันก็ไม่ใช่ทุกกลิ่นแต่วกาบางกลิ่นท่านก็แพ้รูปบางรูปท่านก็แพ้นะเสียงบางเสียงท่างกับแพ้ตัวนี้แสดงว่ายังไม่มั่นคงจริงๆเราต้องฝึกปรือกันนี้่ด้เพราะแนวตรงนี้แนวศีนแนววัดเนี่ยท่นั้งหลายเห็นว่ามันก็เบือนแนวปริตกรรมแนวทมอาหารแนวอะไรอะ เขาต้องผ่านการตรวจสอบการทดสอบการชิมว่าถูกต้องแล้วหรือยังดีหรือยังใช้ได้หรือยังแล้วการตรวจสอบที่ยริงต้องตรวจสอบหลายหลา ย, ลา ย, ลายสถานการณ์ต้องนาไปในสถานที่ต่างๆเมืเ่อจะตรวจสอบความแข็งแรงของรถยนต์อะไรเนี่ยมันต้องตรวจสอบหลายเรื่องเพื่อเกิดความปลอดภัยจริงๆถึงจะรับประกันได้ ศวัดตรงนี้ที่จริงแล้วโดยปกตินี่ต่างคนต่างก็เข้าใจว่าเป็นหลักในการปฏิบัติแต่เพราะชื่อมันก็เรียกเหมือนๆกันล้วก็ดูว่ากิเลสลดไปหรือเปล่าถ้ากิเลสลดไปก็แสดงความดีเพิ่มขึ้นก็ถูกต้องแต่ท่านใช้คาว่ า, ากูส น, นกูสลเลยนะฮะพวาภาพรวมไปเลยเอารวมๆไปเลยว่า ศีลวัดอันใดที่ปฏิบัติไปแล้วกุศลเพิ่มขึ้นอ ก, กุศลลดลงไปศีลวัดเหลานั้นก็ถือว่าใช้ได้เรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะฮะการปฏิบัติอย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วอ ก, กุศลเพิ่มขึ้น ก, กุศลลดลงอกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้ น, นก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วมันผิดก็คล้ายๆกินยานะฮะกินยาแล้วอาการของโรคกำเริบขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ายานั้นใช้ไม่ได้ ก็น้อยก็ไม่ถูกกับโรคไม่ถูกกับเราในขณะนั้นที่เรื่องชีวิตการมองชีวิตก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะเรียกคติชีวิตคือธรรมดาชีวิตในผู้ธศาสนามองชีวิตได้เห็นว่ามันเป็นกระบวนการการเกิดดับที่พร้อมที่จะดับอยู่ทุกขณะ ชีวิตจึงถูกปลนปลือด้วยลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่เน้นมากจึงเน้นที่อนาปานสติกรรมฐานการยินว่านอกจากจะช่วยให้ใจสงบซึ่งเป็นส ม, มะถะกรรมฐานแล้วที่จริงเราดูลมว่าลมหายใจเข้าออกแล้วมันเป็นกายสังขารคือสิ่งที่ปลนปลือกายเราหล่อเลี้ยงร่างกายเราร่างกายเราที่ห่วงใยอะไร ปนปปือนด้วยวิธีการต่างๆนั้นเกิดลมหายใจไม่เล่นด้วยก็เสร็จละหายใจไม่เข้าหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็จบตับแสดงว่าชีวิตนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายไม่มีที่แน่นอนอะไรเลยว่าจะตั้งอยู่ได้นานหรือได้น้อยแต่ที่สุดที่แน่นอนที่สุดคือชีวิตนี้ต้องแตกตับ การมองแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มองคือมองแบบขณะวิชีวิตนั to to ้นเป็นขณะที uy, ่มาต่อต่อต่อต่อต่อต่อกันไปเมื่อวานเนี่ยมีมีเพื่อนก็มานิมนต์ไปวันที่อะไรแถวเดินมกกะระไอ้แถวเดินดุมผ้านิมนต์ไปที่ขอนแก่นบอกโอ้ยชีวิตจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ คือเขาถือว่าเราพูดเล่นแต่จริงเราพูดจริงไงนะฮะว่าชีวิตคนนี่เราจะไ่รู้ได้ยังไงจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราเราไม่ได้มองในแนวนี้คือนึกว่าชีวิตเราจะอยู่ได้ตลอดไปคือเราต้องมองไว้ด้วยว่าโบราณเนี่ยเขามักพูดว่าถ้าไม่ตายเะก่อนที่จริงเก่งเน่ยนะฮะเป็นความคิดที่เข้าใจชีวิตเออถ้าไม่ตายเสก่อน เพราะเราไม่รู้นะข้างหน้านี่พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้มะรืนนี้เราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นบอกเออถ้าไม่ตายแต่ก่อนนะจะเป็นอย่างนั้นจะไปอย่างี้จะไปถ้าไม่ตายแต่ก่อนเราหาวาพูดเล่นที่จริงพูดจริงอ่ะแต่ทีนี้เราไม่เคยฝึกปรือให้จิตใจมันคุ้นกับมรณะสติแล้วพอพูดเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอภปมงคลไปเลยให้เราสังเกตว่าสังคมไทยเราเองนะฮะเป็นสังคมที่ ที่อุอปทานอะไรที่เยอะเลยมงคลเรือนประสูติที่เป็นมงคลนะฮะในพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่ขึ้นแต่งงานอะไรแต่ไรเนี่ยกนจุพิธีมงคลเรียกพิธีมงคลแล้วแยกแยกพิธีเป็นมงคลก็อัปมงคลแยกพิธีเป็นมงคลอัปมงคลแล้วทำทำไมมันอัปมงคลทาทาไมคือเรียกมันก็ผิดแล้วเป็นความคิดที่ผิดแล้วอัปมงคลเราไ่ทำมันทำไมเออ แล้วกำหนดพระสูตรที่สวดเนี่ยแตกต่างกันพระสูตรระดับปรมาถ ธ, ธรรมนะฮะธรรมะที่ลึกซึ้งมุ่งสูม่มรรคผลนิพพานโดยตรงเนี่ยจัดเข้ามาในวิธีอภปมงคลพวกพิธามทั้งหลายเนี่ยพิธามมันมศึกษาเรื่องกิจเจตสิกรูปนิพพานเป็นธรรมะชั้นยอดนะธรรมะชั้นยอดเอาไปอยู่ในวิธีอภปมงคลนะไปสวดในวิธีมงคลไม่ได้ มีพระกันเล่าฟังมีพระครูองค์หนึ่งชื่อพระครูมหมาสมนาวบ์ที่จังหวัดเพชรบุรีนึกสวดอะไรก็สวดอุตรลุดเลยเป็นสวดเลยเขาบอกเป็นมงคล น, นั้นน่ะผู้จ้าแสดงนั่นน่ะเป็นมงคล น, นั้นน่ะสวดไปแต่คนก็ยอมไม่ได้ทัทง้ทงๆที่จริงเป็นความเห็นถูกต้องนะนะฮะก็ธรรมะนี่นะฮะก็เสียงธรรมะทั้งนั้นมันทำไมต้องแยกธรรมะเป็นมงคลเอาไปมงคล ธรรมะที่เป็นกุศลธรรมมันก็เป็นมงคลอยู่ในตัวของมันเองนะฮะจะจะเรียกชื่อยังไงตามธรรมะที่เป็นอกุศลละธรรมจึงเป็นอั ป, ปมงคลแต่นี้เราไม่ได้กําหนดอย่า ง, งานั้นเรากําหนดที่กลุ่มธรรมะ ซ, ซึ่งแสดงความจริงอย่างสูงเนี่ยว่าเป็นอั ป, ปรมงคลแต่ธรรมะที่แสดงความจริงลดหลานลงมาก็กลายเป็นมงคลนั่นก็คือความหลงประเด็นการการเข้าใจผิดจนกลายเป็นความยึดมั่นหือมันนะ่น ใครไปสวดอนิจจาวัฏสงคาราในพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วโกรกันตายเลยโกรกันตายเลยโกรธขนาดหนักว่าออคนป่วยพระไปเยี่ยมสี่องค์นี่โกรธแล้วนะเพราะนพระไทยเราจึงไม่นิยมเยี่ยมเยี่ยมคนป่วยเพราะว่ามันมีคติลึกๆเช่นเราไปวันทีก็ไปกันหลายรูปไม่ไม่แต่สังเกตบางที่ไปกันเจอกันสี่รูปก็าหาไปเตรียมจะสวดก็แหละ หือแทนที่จะกลายเป็นความรู้สึกดีดก็กลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนี่คือแนวคือแนวพรดนะฮะแนวพลดแนวพลดที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็นพวกพศีลปฏิตปรามาอยึดถือในแนวศีลปฏิบัตปรมาสแล้วก็ถามตามดูไม่มีเหตุผลอะไรอนะฮะไม่มีเหตุผลอะไรนะแล้วแม้แต่พระก็ไปยเขาด้วยนะฮะพระก็ปเขาด้วยใครไปสวดตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่เข้าใจถือเป็นอับปมงคน ทังทางที่ธรรมะนะฮะเราก็ธรรมังสนังกาัามิณทิเมส น, างงานังเงินดังธโมเมสนังวรังนี่นะพระธรรมที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งกานประเสริฐของข้าพเจ้าเลยนานสัาจจวัตรนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อก็ว่าก็กลายเป็นแยกพระธรรมเป็นมงคลอภิมงคลนั่นคือแนว เ, เขาเรียกคติชีวิตที่มันไปเพิ่มโมหะขึ้น แล้วก็กลายเป็นความรุงรังพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าปัปปันจะทำคือมาทําให้มันเล่นช้าเสียเวลาไร้สาระเช่นพวกพิธีรีตองทั้งหลายนะฮะพวกพิธีกรรมทั้งหลายที่ขึ้นไก่าการเลิกผ้านาทีอะไรเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่านั่นเราไปเพิ่มโมหะขึ้นมาเพิ่มโัวะขึ้นมาเอาชีวิตไปพันธนาการไว้กับพวกเลิกผ้านาทีเหล่ะนัน ในขณะที่ผู้เจ้าทรงแสดงมาเรื่องดียามดีขณะดีครู่ดีอยู่ที่การกระทําดีนิมนต์พระเชยนันโตเรื่อยนะแล้วตลกมากนะะเราจะเห็นว่าในเชยนันโตเนี่ยมันแสดงถึงสัจธรรมเจโตโพธิามูเลเอกขึ้นได้แจ้ความโดยสรุปว่าขึ้นต้นในพันนาพระพุ้ตคุณพระผู้เจ้าสรรสรู้ที่ภายใต้ร่มราศีมาพทุทธทรงชนะมานังก์ก็กราอ้างพระเจ้าแล้วก็สุนัข ก, กตังสุมากระลังนะตรงนี้เราจะพรมน้มนตะ์เน่ย แต่จะเราไม่เคยถามมาท่านว่ายังไรแต่บอกว่าเริ่มดียามดีขณะดีครู่ดีอยู่ที่การกระทําความดีถ้าคุณทําความดีตอนเช้าตอนเช้าของคุณก็ดีคุณทําความดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงของคุณก็ดีคุณทําความดีตอนเย็นตอนเย็นของคุณก็ดีความดีนั้นเป็นประทักสินคือเบื้องขวาการกระทาความดีนี่คือเป็นประทักสินคือเบื้องขวาเวลาอะไรก็ตามนะฮะเราทําไปมันก็ดีทั้งนั้นเนี่ย แล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรไว้เลยในใ น, นีเรื่อผานาทีตรงนี้ไม่ได้บอกอะไรไว้เลยบอกแต่เรื่องธรรมปฏิบัติเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็น้ำมนไปพรมเห็นว่าเรื่ผาเนี่ยไอ้พวกขลังเนี่ยเขาก็าปฏิเสธด้วยคําสวดนั่นแหละแต่เราก็น้ำมนไปพรมก็กลายเป็นขลังแล้วก็ต้องดูเรื่องอันนั้นคือกลายเป็นความขลังแล้วก็มั่วๆอยู่เนี่ยทําอะไรมั่วๆกันด้วยไม่รู้จะเอาอะไรแน่คือแสดงว่า มันไม่มีความเชื่อใจเออเชื่อมั่นในตรงนี้ลักษณะตรงนี้ลองสังเกตว่าแม้แต่ในต่อหน้าพระประธานะโต๊หมู่บูชาเนี่ยทัานทั้งหลายไปดูว่าบางทีแม้แต่วัดแบบนี้มีรูสีนะมีกวนอิมมีอะไรอะไรยะยะไปหมดให้ไปอยู่หน้าพระบูชาเพแสดงให้เห็นหนึ่งมันลักษณะของวัดวัดปฏิบัติที่มันมันมันแทนที่จะลดกิเลสเนี่ยมันไปเพิ่มเพิ่มกิเลสคือเพิ่มความงมงายขึ้นไป แสดงให้เห็นถึงวิจิกิจษาคือเราไม่แน่ใจไม่แน่ใจในในคุณของพระรัสนาฏใจแล้วเราก็สวดพุดทธังสนางกิจามินะฮะว่าอะไรก็ยุ่งยุ่งยุ่งแง่นะฮะนี่คือลักษณะที่ที่ว่าเราไม่เคยตรวจสอบว่าจริงๆริงนี่กิเลสเราลดลงไปหรือเปล่าที่ทําทําในรูปเริ่มหรือเพิ่มโมหะขึ้นเพิ่มกิเลสขึ้นนั้นก็มาถึงจุดหนึ่งเมื่ออยู่ที่การมองชีวิต การมองชีวิตในแง่ที่ถือว่างมงายที่สุดเนี่ยแง่ถึงมงายที่สุดจำนวนปัตบาลีแต่เนี่ยกว่าที่จริงมันก็ใช้กำวบ้านะวิปัลลาดเนี่ยคือบ้าแต่ว่าท่านก็แค่วิปัลลาดเฉยๆแต่ใช้คำว่าวิปัลลาดเฉยๆคือคลาดเคลื่อนจากความจริงคลาดเคลื่อนในความจริงก็ในสี่เรื่องใหญ่คือมองชีวิตในสี่เรื่องใหญ่เนี่ถือว่าผิดหมด ผิดจาตัวสัจจะนะฮะผิดผิดจากตัวสัจจะทำความจริงมองชีวิตที่ไม่สวยไม่งามอะไรนะฮะเป็นการเกาะกลุ่มก็ขันท่าระยะฐานะทั้งหลายเรากำหนดเป็นความสวยงามประกวดประขันตกแต่งประดับประดากันยุ่งไปหมดเลยอายุเจ็ดแปดสิบแล้วก็ต้องมียาฉีดให้เปล่งปลังมีน้ามีนวลก็มันเดินไม่ไหวอยู่นั่นแหละมันก็ไปทยังไงมันก็เดินไม่ไหวอยู่นั่นแหละ เพราะร่างกายยิ่งแรงเนี่ยเราเพิ่มไม่ได้นะเราเพิ่มไม่ได้นี่คือลักษณะของความวิปลาสวิปลาสมากๆก็ยุ่งแต่กับร่างกายเนี่ยนะยุ่งแต่กับร่างกายเนี่ยปนปนรือแต่กับร่างกายมื่ก็แนอย่างที่จะเล่าเรื่องนางสุชาดาที่ว่าอยู่หน้ากระจกอยู่แค่ไหนเพื่อนทําบุญทำบาร์ไปอยู่ที่หน้ากระจกนยูน่่ไเรื่องพระสกเทวราช่สุธรรมาสุจิตตาสุนันทาสามคนก็ทําบุญกัน แลมีทำบุญเริงก็ะทำบุญคนนี้ไม่ไม่ทำอยู่ที่หน้ากระจกพอตายไปแล้วสามคนไปเกิดเป็นเทพธิดาคนนี้เกิดเป็นนกยางนะอันนี้ก็คือเราสอนในคติที่จะเห็นว่าไม่ให้หลงกายเห็นไหมฮะไม่หลงกายแต่ว่าแบบศีลธรรมจรรยาศีลธรรมจรรยาทํานาคุณคุณเสียเวลาคุณหลงกายแล้วนี่นี่เวลาตายก็ตายโดยการละคนหนึ่งเป็นเทพธิดาแล้วคุณหนึ่งเป็นนกยางโอ้มันมันมันพัฒนาการต่างกันเยอะเหลือเกิน ช่วงพบชาติเดียวเนี่ยมันห่างกันมากนะฮะจากมนุษย์เป็นเทพธิดาจากมนุษย์เป็นนกยักษ์เนี่ยโอ้โหมันมันน่าอินดูมากๆเลยหล่นพรวดออกมาเลยนะฮะหลนพรวดลงกมาเลยตกก็เรียกว่าตกถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการยึดมั่นในศีนพลพรตในตัวพรตนะฮะแล้วก็หลงประเด็นการชีวิตหลงประเด็นการชีวิตก็แบบตัวอย่างนางสุชาดาในจริงก็สอนได้เยอะนะฮะสอนได้เยอะว่า เวลาไปตกแล้วเนี่ยจิตมันตกพฤติกรรมมันก็ตกตกไปแล้วตกไปในอานาจของกิเลสแทนที่กิเลสมันจะลดกิเลสมันเพิ่มเพิ่มจิตวิญญาณก็ต่ำตามพอตายแล้วจิตก็ส้ามองยังยึดติดยุทธิกายยึดติดความสวยงามของกายแต่มันปรากฏว่าสวยงามเฉพาะข้างนอกข้างในก็ไม่ได้สวยเพราะงั้นท่านเจอก็ได้ความสวยงามข้างนอกคือขาวข้างนอกแบบนกหยาดนะ่ะแต่ว่าภายในจิตใจนั้นไม่ได้สวยงาม อย่างขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปรียบกไฟกินสัตว์เสพปรามีชีวิตเฉิดเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นวนงานนะฮะคําโครงเนี่ยว่าไว้นี่ยก็เป็นเป็นคติชีวิตขึ้นการหลงประเด็นชีวิตหลงแบบงมงายนะหลงแบบงม ง, งายมากๆก็ที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นนะเราดุนแรงยิ่งกว่านั้นเช่นที่เคยเล่าเรื่องอัญญตาบุรุษคาถาเปรตคาถาเปรตทูตสานโสที่เคยเล่ามืก่อนเรื่องบูชาญาะ อนี่นี่เราเราจะเห็นว่างบงานหนักขึ้นไปอีกว่าหมกมุ่นอยู่ที่สุรานารีภาชีกีฬาบัตรสลายเงินทองจำนวนมหาศาลของสกุลเศรษฐีสี่สกุลนะลงไปเพื่อปลนปืนตัวเองในเรื่องนี้สุรานารีภาชีกีฬาบัตรตาแล้วก็ตกโลหะกุมพีนะลูกเป็นกลับเป็นกันนี่นะฮะมาตั้งแต่ไหนสมัยพระกัตถะสมมาสมพุทธเจ้ามาโผล่พรวดขึ้นในสมัยพุทธเจ้านิดเดียวแล้วก็หายไปเลยนโลหกุมพีระลูกนั่นคือภาพที่เราเห็น เป็นการหลงประเด็นในชีวิตหลงประเด็นชีวิตมัวเมาในชีวิตเพราะเข้าใจว่าชีวิตนั้นเป็นของเอที่ยงแท้แน่นอนยัง่งยืนแล้วเป็นของเราที่แท้จริงจะต้องปรนปรือดูแลใจใสเขาแต่จริงๆมันไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นตัวอย่างจริงดูนิทานทั้งหลายเนี่ยจริงๆทาก็สอนให้เห็นว่าเนี่ยคือมันวิปลาสแต่วิปลาสลึกขนาดไหนก็ว่ากันไปเรืย แต่สรุปว่าในความเห็นแนววิปัสสนาความจริงทแท้จริงก็ถือว่าการหลงประเด็นชีวิตในแนวนี้เป็นวิปราชและชีวิตไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ใช่ความสวยงามชีวิต ม, ม, มันเป็นยานพานะเป็นที่อิงอาศัยเป็นเครื่องมือในการใช้สมรัตสร้างความดีเท่านั้นเองนะครับถ้าเปรียบยานภานะก็เป็นเครื่องอิงอาศัยในการเดินทางในการข้ามฟาก แล้ก็จริงเราก็เอาไปไม่ได้นะเอา ไ, ไม่ได้ประการต่อไปคือมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็ถือว่าเป็นความเห็นที่วิปลาสอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็วิปลาสลึกขนาดไหนก็แล้วแต่อีกอ่ะคือสรุปว่าเป็นอาการของอวิชชานั่นเองแต่วิชชาน้อยแล้วก็มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นแต่สามารถจะแยกแยะในส่วนที่เป็น เป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดของทุกข์อะไรต่ออะไรได้ชัดเจนขึ้นเห็นสิ่งที่ไม่เชี่ยงว่าเชี่ยงเห็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนวเป็นตัวเป็นตนตนี้ก็ถือว่าวิปลาสวิปลาสแดงแรงนะฮะวิปลาสแรงแรงมากๆงั้งการหลงประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะปัญหาภูเขาเพราะว่าเราจะลดละตรงนี้ได้จริงๆมันต้องเจริญวิปัสสนา เราก็ถอนความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ออกไปได้แต่ก็เวลารรทำจริงๆก็ไม่ใช่ทาได้ง่ายแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้นะฮะต้ก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆชีวิตบางครั้งในท่านอุปมาเหมือนกับหยาดน้ําหยาดน้ําค้างที่ตกลงมามันหยาดน้ําเหมือนหยดน้ำอ่นะเหมือนพยับแดดเลยนะบางทีท่านเอาเป็นพยับแดดเลยปั๊บเดียวพยับแดดจริงๆมันก็จริงไงนะ เด้ยินว่าเป็นขณะเป็นขณะเป็นพยับแดดในแง่ของชีวิตไม่ว่าในแง่ของทางการแพทย์ก็ตามในแง่ทีพ่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็ตามว่าชีวิตจริงๆที่ถือปฏิสนธิในคันมันดาและตายเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, อ, ตายอยู่ในคันมันดาเนี่ยนะแม่ไม่รู้ในเยอะแยะมุมดเลยเพราะคนที่เกิดมาได้เนี่ยที่จริงมันไม่รู้หนึ่งในเท่าไหร่ที่เกิดมาดจากคันมันดาได้เพราะฉะแสดงว่าชีวิตแบบพยับแดดนี่ย ใบยับแดดเป็นเยอะเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมาแล้วก็เกิดต่อกันก็ดับต่อแล้วมันเกิดได้ต่อมาเรื่อยๆนะะมันก็อยู่มันได้ท่านสอนให้มองแบบหยาดน้ำค้างตกลงบนใบหญ้าใบาไม้พอต้องแสงแดดแล้วก็เกิดแห้งไปโดยลาดับชีวิตเองมันก็ไหลยอย่างนั้นมันก็มองไหลยอย่างนั้น คือหมายความมองชีวิตได้เห็นว่าเป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่จุดดับไม่รู้ว่ามาเมื่อไรมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยพอมองอยาดน้ำค้างเราเห็นอยาดน้ำค้างที่มีจำนวนมากน้อยไม่เหมือนกันแน่นอนทุกอย่างนั้นต้องเกิดแห้งไปแต่ว่าถ้าอยาดมันโตๆมันก็แห้งช้าหน่อยอยาเดเล็กๆมันก็แห้งเร็วหน่อยชีวิตเองมันก็มีลักษณะอย่าง น, นั้นทรงสอนอุ ป, ปมาชีวิตนี้เยอะเลยเพื่อเห็นว่าพวก ปอาระกะศาสาสดากิติดาบทสมัยที่พระเจ้าทรงทร ง, งเป็นพว ก, กนี้นะเป็นพระโพธิสัตว์ก็แสดงไว้ในคำพ่เจอเพื่อเพื่อให้มองเห็นว่าชีวิตนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายเวลาของเราจริงๆก็คือในปัจจุบันอนาคตยไม่รู้มันจะมามาหรือไม่มา อดีตเราก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วนะฮะมันก็ตายไปแล้วก็ใช้ได้แค่บทเรียนเท่า น, นั้นเองเพราะแนวการมองชีวิตท่านจึงมองให้สัมพันธ์กับการเวลาพยายามใช้สาระจากการเวลาที่มาถึงเข้าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะชีวิตมันเป็นคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะเพราะตอนในมันเกิดเนี่ยทำยังไงถึงจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ พมันตายแน่ทีนี้วิธีสอนง่ายๆสอนนูน่นนั้นก็ลึกไปพระเจ้าก็สอนเทียบที่การเวลาการเวลามันผ่านมาผ่านไปเราดูได้ง่ายก็ให้มาดูว่าทำยังไงยังใช้ชีวิตสัมพันธ์กับการเวลาแนวตัวนี้แนวกระตุ้นมากวันคืนล่วงไปล่วงไปถามใจตัวเองดูซิว่าเราทำอะไรกันอยู่คุณสมบัติพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกนะ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้เนี่ยเราเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าก็พยายามดูให้เห็นในจุดเหล่านี้แล้วลองสังเกตว่าชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ไปในแนวที่มันไม่ค่คยได้สาระแก่นสารเพราะตัวชีวิตมันไม่มีแก่นสารนะมันอยู่ที่การใช้ของเราเราใช้เป็นแก่นสารเราก็ใช้ได้ใช้ไม่เป็นแก่นสารมันก็มันก็หมดไปตามธรรมดาของมัน โดยทั่วไปอย่างที่เคยล่าฟังนานมาแล้วทีที่มีการสมมวดสมัยสมัยหมอหมอเสนออินทรสุขศรีอะไรเนี่ยศีราชเขาทำก็ไม่ใช่ข้อยุติร้อยเปอร์เซน์แต่ว่าเป็นข้อที่ฟังได้นะฮะวัยชีวิตของคนปัจจุบันคนไทยเนี่ยฮะอายุก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเจดสิบสองเ็สาเจ็สี่เจ็หวิ่งอยู่แถวเนี้ยนะฮะ อายุไขนะอายุไขไม่เยอะทุกคนอายุเฉลี่ยแต่ถามว่าอายุไขเท่านี้คนใช้ไปทำอะไรปรากฏว่าใช้ไปเพื่อนอนเนี่ยนะถึงยี่สิบสามปีเพื่อนอนถึงยี่สิบสามปีเพื่อกินได้เจ็ดปีเพื่อพ่อนหย่อนใจได้เจ็ดปีคุยเรื่องไร้สาระเจ็ดปีหนึง่งตรงนี้น่าดูมากเลย นะตัวเลขเจ็ดปีเจปีเนี้แล้วก็เพื่อประกอบการงานนะฮะประกอบการงานทั้งหมดในสิบเดปีทำงานอาชีพทั้งหมดในเสี่ยแล้วก็สิบสิดปีแล้วก็ใช้เรียนในชั้นเรียนในสามปีนอกชั้นเรียนสามปีจะ้วทำความดีซื้อหกเดือนแล้วก็ตาย คือถ้าเราดูตัวเลขตัวนี้จริงเราเราจะลดอะไรได้เยอะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปเน้นที่ตัวนอนคือไม่ให้นอนมากเกินไปโดยต้องสอนเน้นว่าการนอนนั้นทําให้ชีวิตเราเป็นหมันแต่ว่าก็มีข้อแรกเปลี่นว่าถ้าจิตตึกนึกด้วยอํานาจของความอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวหน้ากรารมมีตกโดยวิงสาวิตกที่นอนได้ดีกว่านะให้ชีวิตมันเป็นหมันอย่างเดียวอย่าให้ถึงกับต้องต้องคิดชั่วด้วย แนวของพุทธเจ้าจึงเรียกว่าชากรยะแปลว่าประกอบความเพียรด้วยความเป็นคนที่ตื่นตัวแม้แม้จะจะหลับเนี่ยให้หลับโดยอารมณ์กรรมฐานคือหลับโดยการฝึกจิตไปด้วยหลับโดยการฝึกจิตไปด้วยเพราะงั้นวิธีที่ทรงฝึกเนี่ยให้นอนตะแคงขวาแบบเสียาสายยาตั้งสติฝึกจิตให้หลับให้หลับหลับจริงแล้วก็สี่ชั่วโมงเนี่ยลุกขึ้น ลูกขึ้นมาเป็นเพียรเพราะงั้นเราจะแบ่งเป็นยามนะฮะเปนคืนหนึ่งก็สี่ยามยามละสี่ยามละสี่ช่วงยามกลางใช้พักยามกลางใช้พักยามปลายก็ใช้ใช้ทํางานยามต้นก็ใช้ทํางานพุจจ ա ทั้งวันทั้งคืนก็พักอย่างยี่สิบพักอยู่สี่ชั่วโมงนะฮะพักอยู่สี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ยัง ถึงแม้จะทําขนาดนะั้นไม่ได้แต่ต้องลดนะนะชีวิตในการพักนี่ต้องลดลงไปแล้วก็ลดคุยเรื่องไร้สาระที่สรงใชาา้คำว่าสำหรับเพฟเจอร์เราเห็นว่าไอ้ตอนลดเรื่องการพูดรายสาระเพื่อเพื่อลดไอ้เจปีตรงนี้ทํำยังไงมันได้มันได้ประโยชน์ป่พาผ่อนหย่อนใจมากไปหน่อยตั้งเจปีนะเราเห็นว่าเราสามารถที่จะลดเรามาเพิ่มมาเพิ่มตอนทําความดีซึ่งแม้เหลือแค่6เดือนนี่น่าจะได้ยัง เกิดมาชาติยางทำความดีได้แค่หกเดือนนั้นเองมันไม่ใช่ทั่วไปแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เฉลีย่ยคือแสดงว่าเป็นการปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ค่อยคุ้มค่าในรายสาราประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเราอย่างที่เทียบในโบสตสูตรก่อนให้ฟังนะผู้เจ้าล่าเองนะฮะที่ว่าวันหนึ่งก็คือหนึ่งในดาวดึง วรรคชั้นดาวดึงถ้าก็ร้อยปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งจาตูมาราเนี่ยเท่ากับห้าสิบปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งในชั้นยามนะฮะในชั้นยามก็เท่ากับสองร้อยปีในโลกมนุษย์มันคือเทียบแล้วเนี่ยนะอายุเรามันก็จ้อยร้อยนะก็จ้อยร้อยนิดเดียวเ่นั้นเองแต่เราก็ไม่สามารถได้ประโยชน์จาก ชีวิตสั้นๆอยในอัตถกาถาที่เล่าถึงนางปาติปูชิกาเป็นเทพธิดาจุติมาจากดาวดึงรึกชาติได้นะฮะรชาติได้จุติปับแกก็รึกชาติได้ว่ามาจากสำนักเขามาลาภารีเทพบุตรมันต้องการไปอยู่ที่นั้นเพื่อฝูงอยู่ที่นั้นยะก็ได้ทําบุญทำกุศลตายเมื่อยุ60กว่าปีปรากฏว่า มาลาภารีเทบุตรหันไปเห็นอา้าวตะกี้หายไปไหนถามมาตะกี้หายไปไหนนะคนหายไปตั้งหกสิปีนี่ก็ถามมาตะกี้หายไปไหนคือแสดงว่าอายุมันห่างกันมากแล้วพอนางปาฏิบุชิกาเล่าฟังไปถามว่ามนุษย์คิดยังไงกับอายุนน้อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นคิดยังไงเขาประมาทเขาเพลินเมื่ออายุเขาจะอยู่จั่งยืนค้ำฟ้านี่คือแนวของภาวะตันหานะเดยเห็นว่ามนุษย์คิดคล้ายๆตัวเองอยู่ค้ำฟ้า แสดงว่าหลงประเด็นของชีวิตทั้งๆทีชีวิตเหมือนกระหยาดน้ำนะชีวิตเหมือนกับพยับแดดชีวิตเหมือนกับฟองน้าหานิมิตาเครื่องกำหนดหมาห้ไม่ได้เวลาตายสถานที่ตายนะอายุที่เราตายเนี่ยเรากำหนดอะไรไม่ได้คือยังยังนึกอุปมาในในคำพีนะฮะที่พระเจ้าทรงใช้พระชนะดินเนี่ยบ่อยที่สุด แล้วตอนไปอยู่อินเดียนะไปศึกษาเรื่องพัชนะดินพัชนะดินบางอย่างของอินเดียนี่มันไม่ ม, มันไม่ไม่พาไฟนะฮะไม่เผาไฟมันแตกง่ายมากใช้ทีเดียวนี่ก็โยชนเพื่อจะหมุนเวียนให้ให้ใ ห, ให้อันเนี้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อให้คนมีงานมันใช้ทีเดียวพวกกินชากินอะไรริมรถไฟเนี่ยกินเสร็จโยนนะกินเสรยจต้องโยนโยนแล้วก็ไม่ได้สร้างมุญภาวา่าอะไรเพราะมันมันสลายเป็นดินก็ไป ลายเปนดินต่อไปนะฮะมันก็เก่งมากทําให้อุปมาเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงใช้พัชนาดินเป็นปอดมันแตกง่ายนะครชีวิตก็มีลักษณะแตกง่ายแบบพัชนาดินแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือในตัวพัชนาดินเหล่านั้นเองเขาก็เจตนาจะทําให้มันแตกง่ายเพื่อเหตุผลหลายอย่างนะเพราะการกา ร, การมองชีวิตพระเจ้าจึงเน้นไปที่ตัวขณะ ไม่คาถาที่ท่านทำไปสวดในพิธีธรรมบุญเจ็ดวันสิบห้าวันเลยนะฮะเจบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันในนี้นะเป็ะสวดเรียกพัดเดกรัตากาธาเป็นการกระตุ้นเน้นย้ำให้คนได้สหนักถึงการใช้ชีวิตไปชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ที่อยู่นานนะฮะแต่อยู่ที่อยู่ยังไงนะใช้ชีวิตไปอย่างไง ก็ทรงสอนในแนวที่เรียกว่าแม้ชีวิตจะมีอยู่เพียงวันเดียวแต่ถือว่าเป็นชีวิตที่เจริญก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งที่ล่วงแล้วไปก็คือล่วงแล้วไปสิ่งที่ยังไม่มาก็คือยังไม่มาหมายความว่าอย่าไปสนใจการดีอนาคตรมากเกินไปเพราะสนใจมันก็เท่านั้นมันทําอะไรนะแต่ให้อยู่ว่าปัจจุบันนันจะโยธมังตถาตถะวิปัสสติกคือให้ดูที่ปัจจุบันใช้ประโยชน์จากปัจจุบันซึ่งเป็นของเราจริงๆ อดีตก็ใช้เป็นบทเรียนอะไรที่เป็นความผิดพลาดบกพร่องต่างๆที่เกิดเกิดขึ้นแล้วในอดีตเนี่ยนะแนวแสดงอวบัติของพระเนี่ยพระเวลาเวลาทําผิดเนี่ยนะพระก็ทําผิดบองการนั้นพระองจะเทวดานะแต่ทําผิดนี่เป็นแนวเป็นแนวที่ดีมากคือจะบอกความผิดของตัวเองในวันปฏิโมกเนี่ยจะบอกองนั้นอย่างั้นอาผิดอย่างนั้นอย่างนั้น แล้วเพื่อนอีกรูปนึงจะถามว่าท่าเนเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าแปลวันไทยนะแปลวันไทยว่าท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเห็นว่าเป็นความผิดไม่เป็นได้แล้วครับตังงใจสํารวจระวังต่อไปเพราะอดีตอ่ะมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้อดีตผิดนะั้นมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เรารู้สึกมันผิดรู้สึกผิดตรงนี้คุณจะรับาครับค ร, บครบผมจะตั้งใจสารวจระวังต่อไปก็การสารวจก็อยู่ที่ปัจจุบันเพราะถ้าปัจจุบันดีอดีตมันก็มีปัญหาน้อยลง นะมีปัญหาที่ขุนคล่องหมองใจเกิดวิปฏิสานใ จ, ใจเกิดร้อนใจน้อยลงชีวิตที่รับผิดชอบได้จริงอยู่รับผิดชอบในปัจจุบันอนาคตทีจะเป็นความหวังว่าถ้ามานะเราก็จะใช้เกิดประโยชน์ได้มากถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะไหวยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเน้นย้ำที่นํานํามาพูดกันบ่อยๆว่าอัเชิวิกิ จ, จะมาตะปังนะความเพียรพยายามคนรีบเร่งกระทาในวันนี้วันนี้ชีเดียววันนี้เถอะในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ ตุรีตะตุรีตงังต้งใช้กันมาเร่งเร่งด่วน ด, วนดวนเร็วๆนะเพราะอะไรเพราะว่ากุศลเจตนาที่เกิดขึ้นจะทําความดีมันเกิดวุ่เดี่งแล้วก็ไม่ได้ทําอ่ะส่วนใหญ่นี่ยจะไม่ได้ทําจะอยากจะทําเยอะนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำก็ำต้องรีบทําแต่ทรงทรงเน้นว่าโกนจัญญามานังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะ ในใ น, ใ น, ในฮินดูสังกันเตนามหาเสเนนะมจุนาเราทั้งหลายนี่ไม่สามารถจะฝัดเพี้ยนต่อรองขอร้องกับบัจุราชคือความตายได้เลยนะมันบทมันจะตายแล้วนี่ทำยังไงมันก็ต้องตายนะฮะมันก็ไม่ยอมรับอะไรเเลยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็ อ, อย่าไปทำในเรื่องที่ทำไม่ได้ที่เราเดือดร้อนเพราะเราไปทำในเรื่องที่เราทำไม่ได้เดือ ด, ดร้อนเรื่องชาวบ้านนะฮะ เกืองข่าวพระไปอย่างนั้นอย่างนี้นะสุกซ้อมสลบขาเท้าอะไรแต่ไร ด, ดยสนใจเรื่องนี้เราก็สูญเสียเวลาเป็นสูญเสียในเรื่องที่เราเราคิดไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ขุ่นข้องมองใจเรามีความเคลือนแปลงสงสัยเราเกิดความรักคนหนึ่งเราชังคนหนึ่งมันก็ไม่ไปเรื่องอะไรแต่หาเรื่องไปเรืหาเรื่องเราก็มาอยู่กับปัญหาที่เฉพาะทำได้ เราเห็นว่าพระเจ้าจะสอนในกรณีที่ทําได้ในกรณีที่ทําได้แล้วแนวที่เป็นบทเรียนดีที่สุดก็คือแนวปินิษฐ์ปัจจเวคห้าข้อเนี่ยคิดจากจุดนี้ไปนะจุดนี้คิดทําหนังสือได้เล่มเบล่มเลยนะมี่ชราตมมิจฉลังอันติโตเนี่ยถ้าเขียนออกาเป็นหนังสือจะเป็นหนังสือเล่มเล่มใหญ่มากเพราะเป็นการวางหลักไว้ให้เห็นว่าปัญหาเรื่องชีวิตก็คือแก่คือเจ็บคือตายเกิดพลาดพนี้แน่นอนคือแก่คือเจ็บคือตายเกิดพลาดพา ชีวิตทุกชีวิตเป็นอย่างนี้จะกี่ชีวิตก็ตามเป็นอย่างนี้ปัญหาจึงไม่รู้ชี้ว่ามัน จ, จึงไม่อยู่ที่ว่าตายเมื่อไหรจะพัดลาดจะอะไรแต่พระรพาดแน่แน่ตายเมื่อไหร่ก็ตายแน่ตายที่ไหนไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ปัญหาสําคัญว่าในขั้นที่เรายัางไม่ตายเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากชีวิตในช่วงนั้นให้ได้ ทายแล้วเราก็ใช้ประโยชน์อีกช่วงหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าใช้ประโยชน์อีกช่วงหนึ่งเจงวนวาการพิจารณาถึงความตายมันเป็นครูมาสอนตัวเองแนพวพระเจ้าใช้ประโยชน์หมดแต่เราแก้ไม่ได้ะเราแก้ไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พระเจ้าเองเราแก้พระองค์ไม่ได้เหมือนกันนะฮะองค์ด้วยด้วยวิบากขันนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะพระเจ้าก็ต้องนิพพานได้รับสัง่งมาเหมือนก็เวียนที่ซ่อมโดยไม้ไผ่ไม่ใช่ทัพทรัพไม่ใช่ทัพพะสัมภาระเวียนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่ออจะแบกกขงหนัได้อีกต่อทนะี่จะ นี่คือคติชีวิตมองชีวิตถ้าเห็นว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกบหนดหมายไม่ไม่ไม่ใช่ของแน่นอนอะไรแล้วก็ประกอบด้วยทุกที่อาจารบอกโลคานิทังคือรังโรคร่ารังโรคประพังคุนางคือเปื่อยเน่าชีวิตเรานเป็นรังของโรคแล้วก็ต้องเปื่อยเน่าไปอ่าก็เปื่อยเน่าค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็ว แต่จะเป็นแผลหน่อยเดียวก็บางทีก็อย่างทหารตำรวจที่ถูกยิงในป่าเนี่ยกว่าจะเอาขึ้นหอมาได้มาถึงโรงพยาบาลเจอนอนขึ้นจะแล้วอนอนขึ้นแผลล้วนี่ก็สัจแสงสแสดงให้เห็นถึงความเปอยหน้าของชีวิตร่างกายเพื่อไม่ให้หลงเพื่อไมห่หลงในประเด็นของชีวิตเพราะความประมาทรือความบวมเมาในชีวิตในในในตัวคนเราแต่ละคนเนี่ย คือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเห็นไหมฮะในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคก็คือตัวชีวิตทั้งนั้นเลยในวัยในชีวิตในความจริงๆก็คือชีวิตทั้งนั้นประมาทว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่แก่นะรอรอให้แก่ก่อนยึงจะเข้าวัดอะไรอะไรเนี่ยเข้าวัดจริงไม่แปลกหรอกทําทความดีก็แล้วกันะข้าวไม่ข้าวก็ไม่ไหวเลยทาความดีก็แล้วกันอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ถ้ารอยกยอดไปทําตอนแก่นะถือว่าประมาทในชีวิตนะฮะเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าตอนนี้ก็มีมีคนเข้ามาจับมือถ่ายต้งสามคนนะบอกอามายุตจะหยุดนึกเก้าสิบปีเสียวอยู่เนี่ยเฮงเสียวอยู่เนี่อยอายุถึงเก้าสิปีจริงยี่แย่แน่เลยไม่รู้ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะอายุเก้าสิบเนี่ยมันยังนึกไม่ออกไงในรูปร่างมันจะเป็นยังไงบ้างจะเดินเหินยังไงโอ้ย ก็ถ้าอยู่ถึงเรงนั้นคงคงสาหัสเลยนะก็ไม่ใช่น้ายินดีอะไรเพราะฉนะ้นมาใครให้พออานะยุยืนมันก็ชอบแต่ละไม่เจ้าถึงอะไรอยุยืแต่แข็งแรงนะถ้า แ, แข็งแรงมันก็ไหวมันก็ถ้าเก้าสิบมันกงไม่ไหวแล้วมันแข็งแรงไม่ได้นะ่ลอันนี้ก็คือก็คือเรื่องชีวิตอชีวิตเนี่ยให้มองในแง่ของเป็นขนาดมันตายยทุกขนาด เราก็ใช้ในแต่ละขณะเพราะฉนั้นมุมมองตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะหาข้อยุติว่าใครมองถูกมองผิดไม่รู้ว่าใครประมาทหรือไม่ประมาทเเจะเห็นได้ชัดถ้าคนยังมองด้วยความความประมาทแบ่งการเวลาชีวิตเป็นสามช่วงเมื่อน้อยอย่างหนึ่งเมื่อใหญ่อย่างหนึ่งเมื่อปลายอย่างหนึ่งมองแบบพรามนะฮะึงติดมาในกติไทยติติดตั้งแต่สุขโขทัยมาอันนี้ถือว่า เป็นการมองที่ผิดพลาดทีต่อไปพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็ถือว่าการประพฤติการประพฤติของแต่และฝ่ายเนี่ย <c oughs> เขาถือว่าเขาเป็นพรหมจันทร์นะเขาถือว่าเป็นการประพฤติประเสริฐการทรมานร่างกายการทำพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในสมัยนั้นหรือแม้แต่สมัยไหนๆนะครับแม้ในสมัยไหนๆเมื่อวันซืนเนี่อันื่นเนี่มี รูสิทธ์ก็เป็นหม่อมราชวงศ์เขามาเล่าไปคุยกับคนในศาสนาหนึ่งเขาไม่ชอบชาวพุ้นที่เรียกว่าพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกนะเรียกว่าศาสดาเอกในโลกหมายความว่าอยังไงเอกยังไงในเก่งก่าศาสดาเขายังไงไอ้ น, นี่มันก็เอาจีบเมือนกันว่าศาสดาอื่นในกิเลสเต็มตัวทั้งนั้นแหละแกบอก ไปชี้ไปดูเลยสาดาอื่นกิเลสเต็มตัวอะไรนั้นน่ะจะฆ่าคนนํากองทัพไปฆ่าคนอะไรตะไรอุตลุดไปหมดเลยอิจฉาคนเบียดเบียนคนนี่สานาผู้สานาเดียวเทนเองศาสาาไม่ไม่ไม่ได้เบียดเบียนคนเลยแกเล่นเราตรงตรงนะฮะแต่แกเก่งฮะแกตอบตามแนวพุทธคุณตอบตามแนวพุทธคุณคือเราจะเห็นว่าที่เป็นเอกนี่คือหมายความว่าไม่มีใครปัญญาเกินเราพุทธเจ้าไม่มีใครบริสุทธิ์เกินเราพุทธเจ้าไม่มีใครกรุณาเกินเราพุทธเจ้า ไม่ใช่เอาทุกเรื่องนะฮะไม่ใช่เอาทุกเรื่องแต่สามเรื่องเนี้ยไม่มีใครเทียบพระพุทธเจา้านะจึงศาสนานี้เกิดทีหลังนะฮะเกิดทีหลังพระพุทธเจา้าก็เป็นเป็นเอกจริงๆนะเป็นเอกจริงๆไม่ใช่เอาเป็นเป็นเป็นยกย่องขึ้นมาว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งจริงๆว่าใครไม่มีทัดเทียมแล้วก็ดูประวัติชีวิตได้นะฮะตั้งแต่เป็นาศาสนาพระพุทธเจา้าเราไม่ต้องดูตั้งแต่เป็นาศาสนาดูตั้งแต่ประสูตรเลยเราให้ดูแปดสิบปีนะะ แล้วดูแปดสิบปีนะเปิดเปิดเช็คบัญชีกันได้เลยวุฒเจ้าเลวร้ายตรงไหนมั่งเจ้าชายสิทธัตถะเสียสามสามสิบ้าปีนี่เป็นเจ้าชายจะสามสิบหปีนี้มีอะไรเลวร้ายไหมนั้นเพราะนั้นก็เอกมาตั้งแต่โน้นนลยนะเอกมาตั้งแต่เป็นราชกุมาร น, นะจริงๆนะมันก็เหนือกว่าราชกุมารทั้งหลายเหนือกว่าราชกุมารทั้งหลายหรืออาจจะเหนือกว่ า, าศาสดาบางาศาสดาอะไรทั้งไปนะฮะโอที่จริงท่านได้ถึงอรูปวิจานณะ์นะนะ ได้ถึงรูปฌานก็ไม่ใช่ธรรมดาก็มีศ า, าสดาไม่กี่องค์นะ ท, ท, ที่ได้ถึงถึงระดับสมาธิระดับฌานเนี่ยอันนี้ก็คือก็คือเขาก็ถือเขาเป็นพรอมจารย์เขาก็ถือเขาก็พรอมจารย์แล้วเขาบอกเขก็ถูกแต่เ้าลืมไปว่าการปฏิเสธความจริงเนี่ยนั้นคือผิดเพราะคนเราเนี่ยมันเป็นคนมันดูประวัติกันได้นะดูประวัติกันในประวัติเนี่มันบอกเลย ว่าตรงนี้เธอดีหรือเธอไม่ดีเนี่ยประวัาิมันจะบอกแต่รัคนมมีประวัติอยู่แล้วก็สามารถบอกได้ว่าทำไมเธอต้องไปรื้อแท่นบูชาเขาเพราะแท่นบูชามันเป็นทรัพย์ไปทำลายทรัพย์สินเขาก็เป็นอาทินนาธานก็แสดงว่าเธอโกรธเธอโลภเธอริษยาใช่มที่ไปทำอย่างนั้นถ้าเธอไม่เป็นอย่างนั้นเธอปลออยกาเยฉยๆไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าเราก็ไปเทศเยอะอามหรือสีรางไม่รู้ส ก, กิี่ศสมแล้วพระพุทธเจ้าไปเคยแตะอะไรเขาเลยสักนิดเดียวดป็นการดึงจิตเข้ามาเฉยๆเขาทิ้งเขาเองนะเขาสมัครใจทิ้งเขาเองแล้วไม่ได้ไปเผาทํำลายสิ่งนั้นคงอยู่จนถึงขณะนี้นะฮะอาศมของรูเวลากัรสะปะอะไรแต่อะไรก็ยังอยู่เพราะการการมองตัวนี้เป็นการการมองโดยรูปแบบด้วยชื่อว่าพระหมจาริการรกบรู้ประเสริฐแต่เขาไม่ได้ดูตรงนั้นเขาดูว่า ที่เธอประพฤติไปเนี่ยอกุศลมันลดลงหรือเปล่ า, ากุศลมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าชื่อมันรู้ยังไงก็ตามรูปแบบพฤติกรรมมันมันรู้ยังไงก็ตามนะแต่ทำไปแล้วปรากฏว่าบาปอากุศลเพิ่มขึ้นมีความริษยามีมานะถือตัวมีความยิงมีความอวดดีดูหมิน่นคนอื่นอะไรต่อรเนี่ยนะมีความโลภมากก็แสดงว่า มันไม่ใช่พรหมพรหมแปลว่าประเสริฐพรหมแปลว่าประพฤติประเสริฐพรหมจันท์จันท์ก็คือจัญญานั่นเองทจริงเลยคือจัญญานั่นเองคือจัญญาเกี่กันประพฤติอย่างประเสริฐการพฤติดีเป็นวิถีชีวิตที่ประเสริฐหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ไหลไปตามกระแสกิเลสไม่ไหลไปตามกระแสของกิเลสในขณะที่คนกําลังไหลไปตามกระแสกิเลสเราก็ไม่ไหลไป คนถูกปลูกราวให้โกรธให้เบียดเบียนให้เข็นฆ่าให้ประทุษรายกันเราไม่ไหลไปตามนั้นก็แสดงว่าเราก็ประเสริฐถ้าทําได้นะมีก็แม้เวลาทำได้ก็ประเสริฐเพราะแนวของพุทธศาสนาจึงจึงปีเยอะเอาง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆเช่ น, นเราคู่ครองเรียกปรุมจันทร์ผู้ชายที่มีสถานสันโดษคือยินดีเฉพาะพัญญาตัวเองเรถือพรหมจันท์ มีเยอะคนที่ไปไปนอกใจปัญญาตัวเองเยอะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามีสามีเป็นนันมากที่เขาไม่นอกใจเขาก็ดีกว่าคนเหล่านั้นนะ่ะมันก็สร้างเอกภาพขึ้นไปในครอบครัวปัญญาที่ปฏิบัติคือพักดีต่อสามีตัวเองไม่ไม่ไปยุ่งเกีย่ยวกับชายอื่นก็ปร ะ, ประเสริฐกว่าคนคนคนที่ไปยุ่งเกีย่ยวกับชายอื่นเห็นไมะมันก็ก็แสดงอะไรราคาตานามันลดลงไปเยอะราคาตานาลดลงไปเยอะ อย่างน้อยก็ไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้จักหักข้ามใจรู้จักบัญญัติบัญญัติใจตัวเองไม่ไ ม, ไม่ทําไปตามอํานาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นสัจจะสัจจะก็เป็นพรหมจรรย์นนะฮะสัจจะเนี่ยสัจจะคําเดียวเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ไม่ใช่ธรรมดานะสัจจะให้เราจะเห็นว่าเอาข้อจริงเนี่ยสัจจะเราที่ที่รักษาไม่ได้คือตั้งใจว่าจะทําและทําไม่ได้นี่เยอะเลย เห็นไะหตั้งใจจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้แล้วพุทธาทาสทำไม่ได้หรือไม่อยากทําหรือเเปลี่ยนไปที่สําคัญอย่างยิ่งแม้แนวของสัจจะปฏิยานหรือรักษาศีลไปแล้วจะมาทานตีนไปแล้วเนี่ยนะบางทีก็รับไปแล้วก็จบแล้วไม่ได้ไม่คิดรักษาอะไรอะมาอยู่ต่างจังห ว, วดัดติดต่อสู้ขับเคี้ยวกับพวกญาติโยมพวกนี้นี่วูน่าดูเลยบาทีนี่เอากันในในงานเลยนะฮะ รับสินเสร็จหน่อยเดียวแกจะรับอีกแล้วรับทำไมรับทำไอะไรก็ตะกี้โยมก็รับไปแล้วเนี่ยโยมรักษาเนี่ยรับแล้วก็รักษารักษาได้หลายวันหนึ่งพลาสวดทีหนึ่งแกรับสินทีสวดทีรับสินทีเขาเสียเวลารับอย่างนั้นคุณไม่เห็นคุณค่านี่ขอบ่อยๆให้บ่อยๆรักษาแล้วต้องรักษาให้ได้บางทีเดี๋ยวขอให้สวดแกคุยบอกถ้าคุยก็ไม่ต้องสวด คือตั้งจังวัดมันเล่นตรงๆองั้นเลยนะต้องเล่นกันเรื่นกันอย่างงั้นเลยตรงชนอย่างงั้นเลยปีิปไต่กันไม่เคยได้ล่ต้องพูดอย่างเงี้ยว่ากัตรงๆองตรงเงี้ยแล้วมันมันเราค่อยๆเอาได้บางทีเทศ่ๆแบบคุยมากเราหยุดเลยนั่งเฉยไม่เสร็จปรโยชน์พูดได้เสร็จก่อนเนี่ยก็เทศใหม่เอาอย่างงั้นเลยแล้วมันมันมันคนก็รู้นะทีหลังรู้เลยอามาเทสเนี่ยเขาไม่กล้าคุยพอคุยเราไม่ได้ว่าเราเราก็นั่งนั่งเฉย นาคุยก็โยมคุยเสร็จก่อนเที่ยวหมากตะบันหมากเสร็จคุมคุ้มคุ้ ม, ม, มอะทำเสร็จเสร็จได้ประเทศจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันทำประเดียวประเดียวเสียงโยมพูดก็จะนีึกว่าอาตมาเทพจะยุ่งกันใหญ่เราก็พูดเ ล, เล่นๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหมายความต้องพูดกันตรงๆพูดกันตรงพูดอ้อมเขาไม่ได้ความไม่รู้เรื่องหรอกพูดกันตรงๆเงีง้ยมันก็ได้ผลนี่ก็คือคือว่า พวกพวกเนี้ยสรุปว่าอะไรก็ตามให้กิเลสมันลดลงสีนห้านี่ก็เป็นพรหมจรรย์ศีนแปดก็เป็นพรหมจรรย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆนะมันมีเป็นสิบพรหมจรรย์เนี่ยจำแนกว่าเป็นปิดแต่อย่าลืมอันเนี่ยแค่สัจจะแค่จงรักภักดีในสามีตัวเองนะฮะไม่นอกใจพันยาตัวเองเนี่ยก็ถือว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดซึ่งแต่ละอย่างพิสูจน์ได้ว่ากิเลสลดนะ แต่ละอย่างเนี้ยพิสูจน์ได้เลยว่ากิเลส ต, ต้องลดถ้ากิเลสกิเลไม่ลดเธอรักษาตรงนี้ไม่ได้ทีนี้พมมาถึงศีลห้าขึ้นมันก็กิเลส ต, ต้องลดไปเยอะเลยนะะถ้าลดไม่มากมันก็รักษาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมุสาวาทอาตมาว่าคนนี่ง่ายนะพูดมุสาวาทง่ายดือด้อๆอย่างเงี้นะขอโทษลืมไอ้ขอโทษลื ม, ลมนี่ซ้ํามากเลย นะเทตเราไวแล้วเนี่ยเทตเราไวแล้วเสร็จแล้วมาขอโทษคำเดียวว่าลืมเนี่ยใช้คำง่ายๆนี่คือแสดงว่าขาดจิตทำนึงรับผิดชอบเพราะนันเราจะเห็นว่ามูสาวาตเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนนะเป็นการทำลายล้างและเป็นการสร้างทางอบายนะนะผู้เทคนผู้เทตได้ยอมตกนรกนะหนวงเหนียวตัวเองไปลงนรกเลยเพราะมันล้างผลาญคนอื่นเยอะนะผู้เทตเนี่ย ทำลายคนอื่นเยอะเช่นสมมติว่าใครเทศเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยสมมุติเรเทศเรื่องยาผีบอกคนดูต้มเยอะหรือเงินมันหมุนเวียนมันมันสูญเสียเวลาหรือสารพัดเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นมุสาว่าติจึงเป็นพวกอันตรายเราเห็นว่าปานาตินานะฮะกามเมมุสา เขาพูดเขาพูดกามเมนะฮะเขาไม่ได้พูดเรื่องสีระดับพรหมจันทร์สีนหน้าเขาพูดระดับกามเมแต่ก็หมายความว่าการปฏิบัติได้เนี่ยใครก็ตามปฏิบัติได้ก็หมายความว่ากิเลสของเขาลดลงไปนี่คือแนวในการวินิจฉัยการตัดสินคือไม่จำเป็นว่าต้องศาสนาไหนหรอกแต่มันดูที่ผลดูที่ผลกันเขาเรียกว่าเป็นวิพัตชวาชีคือแบ่งแยกตอบ ไม่ใช่ว่ า, าศาสนาของฉันเท่านั้นถูกต้องาศาสนาอยู่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เราก็ดูดูคนเรงนี้น เ, นเป็นอะไรก็ได้าศาสนาอะไรก็ได้พวกพราหมณ์พวกซิกพวกพินดูพวกอะไรก็ได้ถ้ากิเลสเกินลดเราก็ถือว่าถูกต้องนะฮะล้วก็ได้ผลในระดับนั้นๆแต่ถ้ากิเลสเพิ่มน ะ, ะแม้ชื่อจะหรูหรือว่าอยู่ในาศาสนาพุทธเราเองเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเรากดอกกิเลสตัวเองเพิ่มขึ้นเนื้อแสดงาผิดแล้วเติมปฏิบัติผิดละมันก็ดูที่การลด ของกิเลสการเพิ่มขึ้นของธรรมะหรือการเปิ่มขึ้นของกุศลการลดของกุศลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพิธานีีท่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจะมีแต่ท่านฟังทลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ